วสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะเรามาพบกันกนัพบกันกับรายการสัมสนีนานะคะที่ฉันสัมสนนาคงเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ทางสถานีวิทยุเอครอบครัวข่าว106ซึ่งขณะนี้ก็มีการให้ท่านทั้งหลายที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าใช้พวกสมะเขาเรียกว่าอะไรนะคะอย่าง iPad อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปลงใน เครื่องโทรศัพท์และเครื่องมือต่างๆของท่านที่ดาวน์โหลดลงมาได้เนี่ยแอปพลิเคชันก็ก็ชื่อ106แล้วก็ Family News F A M I L Y N E W S นะคะท่านก็จะสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วรับฟังรายการนี้ก็ได้กับรายการอื่นๆของทางสถานีก็ได้ก็จึงปประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกส่วนหนึ่ง วันนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามจากพระอาจารย์เทบุตรอภิปุโนซึ่งสัปดาห์นี้ท่านจะามาพบกับพวกเราตั้งแต่ตอนต้นของรายการเลยนะคะจนต่อสัปดาห์หน้าถึงจะเป็นพระมารชาคาวโรเหมือนเดิมเราไปกราบนมัสการท่านก่อนเลยนะคะว่าวันนี้ท่านจะนําพระสูตรบทใดมาให้เราปฏิบัติทํากันกราบนมัสการกับท่านคะเชิญพานค่ะวันนี้ก็จะพูดถึง เรื่องของการที่พระเช่ยายกอุปมาอุปไมยแต่คือพระเชนฉลาดมากในการที่จะเอาเรื่องต่างๆนมาสอนพวกภิกษุหรือว่าครรภ์ว่ต่างๆก็ได้พูดถึงการเลี้ยงโคแต่พระเช้าได้ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยความบกพร่อง11อย่างเหล่านี้ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงโคและทําฝูงโคให้เจริญได้ความบกพร่องเป็นอย่างไรเล่า คือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้เป็นผู้ไม่เกลียดไข่ขางเป็นผู้ไม่ปิดแปลเป็นต้นพิสูจน์ั้งหลายชันใดก็ฉะ น, นั้นเธอผู้ประกอบด้วยองคุณสียเอ็นอย่างเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะถึงความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมะวินัยนี้พิสูจน์ตั้งหลายเธอเป็นผู้ไม่เกลียดไขขางเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ไม่อดกลั้น ไม่ละไม่บันเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ทำให้หมดสิ้นซึ่งความตรึกที่เกี่ยวกับทางการมซึ่งความตรีตรึกในทางมุ่งร้ายซึ่งความตรีตรึกในทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งบาปอากุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเธอผู้ที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เขียยไขขงังภิกษุทั้งหลายเธอเป็นผู้ไม่ปิดแผลเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้เห็นรูป้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจ ม, มูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้ถูกต้องผลทาด้วยกายได้รู้ธรรมรมด้วยใจแล้วก็มีจิตยึดถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรูปถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆสิ่งอันเป็นอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโธมณั จะพึ่งไหลไปตามผู้ที่ไม่สมรวมอินทรีย์คือตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจอันใดเป็นเหตุเธอไม่ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้เธอไม่รักษาและไม่สมรวมตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจเธอพูดที่เป็นผู้ไม่ปิดแปลเป็นอย่างนี้แหลเมื่อเห็นอยู่อย่างถูกต้องย่อมเบื่อหน่าย ประความสิ mm. ้นไปแห่งน to totally like ันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะประความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิประความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีทุกเรใดๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตทุกทั้งหมดนั้นมีฉันทะคือความพอใจเป็นมูลมีความพอใจเป็นเหตุ เพราะว่าความพอใจคือฉันทะนั่นแหละเป็นมูลเหตุแห่งทุกทุกใดๆอันเกิดขึ้นในอนาคตหรือทุกใดๆที่เกิดขึ้นในบัดนี้ทุกทั้งหมดนั้นก็มีฉันทะคือความพอใจเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะคือความพอใจนั้นเป็นมูลเหตุแห่งทุกถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่ย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณ น, นั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมี เมื่อความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปมีความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความรับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ประในวันนี้ที่พูดถึงเรื่องพระสูตรนี้ ก็เพื่อที่ให้ทังฟังได้เข้าใจถึงการที่พระเจ้าได้ยกอุปมาบไม่เปรียบเทียบซึ่งก็คิดว่าเดาี๋ยวจะมาอธิบายในตอนต่อไปได้นะคะงั้นก็ตอนนี้หลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมแล้วฟังพระสูตรกันไปอาจจะเกิดข้อสงสัยอยู่ในใจเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะท่านเพรบุญจะมาเฉลยในช่วงที่เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จะนะค่ะ